เรื่องอสจรในบารมีหลุงปูตื้อัจรธรมโมเสียงบรรยายโดยสุธิวัฒน์ทิบุรพา หลวงปู่ครับผีมีจริงหรือเปล่าหลวงปู่บุญเพงกับปะโก้ได้เล่าต่อไปว่าอัตมาจะขอเล่าต่อไปนะคนสงสัยมันสงสัยเรื่อยแหละอัตมาถามหลวงปู่ตื้อว่าหลวงปู่ครับผีมีจริงหรือเปล่าอ้าวามีสิถ้าสงสัยไปถามท่านแหวนดูก็ได้ผีมีจริงนะแล้วหลวงปู่ตื้อก็เล่าเรื่องหลวงปู่แหวนว่าเดือนที่ไปภาวนาไมา่ไม่ เวลานั้นเราก็ดีท่านแหวนก็ดีเพิ่งจะสึกภาวนาใหม่ๆเป็นพระมหานิกายยังไม่เคยได้พบกับพระอาจารย์มั่นธุริทัตโตหรอกเวลานั้นยังเป็นมหานิกายแต่ก็อยากเดินทุดงกรรมฐานแสวงหาความจริงทีนี้หลวงปู่ตื้อท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปทุดงกันสองรูปนั่นแหละไปทางพมา่าแล้วกลับมากอกรายเข้าทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตรันะ ทีนี้ก็พากันไปพักอย่างศาล า, าเก่าๆครังหนึ่งที่อยู่กลางต่าข่ามนั้นไม่มีผู้คนหรอกมาถึงฝั่งไทยก็เหน็ดเหนื่อ ย, ยมากจึงมาพักอยู่ที่ศาลาหลังนั้นแขวนกดคนละมุมศาลาเรานอนอยู่มุมหนึ่งท่านแหวนก็นอนมุมหนึ่งเืนแรกสบายดีจนรุ่งเช้าก็ อ, ออกบินทบาทได้อาหารมาแล้วก็กลับมาถันที่ศาลาพอวางสิ่งของระบาดเท่านั้นเอง ท่านแหวนนั่งลงเอามื อ, อยันตปข้างหน้ากับพื้นกระดานนะผีเล่นงานท่านขากรนไกรแข็งหมดท้องแข็งหมดน้ำลายไหลนี่หยุดหลวงปู่ตื้อคิดว่าหลวงปู่แหวนท่านเป็นลมหรือไงเอท่านแหวนท่านแหวนเรกรยดอย่างนั้นเออก็เป็นบินทบาดกลับมาดีๆนะเอาแล้วสิเข้าที่ทางจิต ด, ดูก็รู้ว่านี่มันผีนี่นะว่าแล้วหลวงปู่ตื้อก็ทําท่าขู่ผี ด่าเลยด่าผีเวลานั้นการปฏิบัติยังอ่อนทั้งคู่ไม่มีคาถานี่นะเลยด่าเอาผีก็ยังไม่กลัวด่ามันมันก็ยังไม่กลัวก็เลยหาอุบายมาเอาใบไม้ให้แห้งนํามากรองไว้แล้วก็จุดไฟขู่เลยเอาล่ะถ้าหากไม่ไปนะจะเอาดุนฟืนที่ติดไฟแดงๆนี่เผาเสียเลยผีมันไม่กลัวไยให้มันรู้ไปสิว่าแล้วก็เอาไม้ขีดจุดไฟ เอาดินแห้งๆก้อนโตๆมาเผาเผาจนแดงแล้วก็เอาไม้มาชีททำเป็นเหมือนทีมนีดยื่นเข้ามาแล้วก็ขู่ว่าเอาละถ้าไม่ออกจากร่างพระสององค์ข้าเจ้าไม่เกรงกลัวบาปกรรมแล้วก็เราก็จะเผาให้ตายจริงๆหลวงปู่ตื้อท่านทำจริงนะด่าก็เก่งทำก็เก่งเอาสิทีนี้ท่านจะเผาผีด้วยดินจีจีแต่ว่าเผาเป็นภาษาอีสาน ยื่นเข้าไปข้างหน้าของหลวงปู่แหวนเอาล้วนะวันนี้ถ้าเจ้าไม่ออกไปข้าจะเอาให้ตายเลยล่ะวันนี้จะมาเล่นกับตาตื้อหรือไงเอาล่ะว่าแล้วก็เอาดินตีลงบนหัวหอหลวงปู่แหวนจริงๆเท่านั้นผีออกเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนบอกว่าบะมันจะตายเอาจริงๆนะท่านตื้อวันนั้นพอฉันเสร็จล้างบาดเสร็จก็เตรียมตัวออกเดินทุ ด, ดงอยู่ไม่ได้แล้วหลวงปู่แหวนเก็บกดเก็บผ้าหม่ม แล้วก็ออกเดินเลยหลวงปู่ตื้อไม่ยอมไปบอกหลวงปู่แหวงว่าไปรอข้างหน้านะผมจะจัดการกับผีตัวนี้ให้ได้หลวงปู่แหวงท่านไม่ฟังเสียงออกเดินทุ่งไปเลยไม่อยู่แล้วท่านตื้อจะอยู่ก็อยู่ไปเถิดผมไปก่อนหลวงปู่ตื้อก็ว่าเอาเถิดเอาเถิดไปรอข้างหน้าก่อนผมจะพิสูจน์กับผีสักหน่อยแล้วก็จะตามไปหลวงปู่ตื้อนั่งอยู่บนศาลานั้นตกกลางคืน ท่านสวดมนต์ไหว้พะไม่มากหรอกท่านให้เหตุผลว่าไม่สวดมนต์มากเอาพอเป็นพิธีนิดหน่นนอยๆหรือพอสาบานน้ำไม่ให้ไหลได้เท่านั้นคำนี้เป็นปริศ น, น, นาธรรมลองพิจารณาดูก็จะคิดออกแต่ผู้หญิงคงเข้าใจลาบากหน่อยแต่ผู้ชายมีโอกาสคิดได้มากกว่าเออนั่นท่านสวดมนต์พอเป็นพิธีพอสาบานน้ำไม่ให้ไหลได้เท่านั้นพิจารณาเอาเองนะเสร็จแล้ว ท่านก็นั่งภาวนาจิตสงบดีสว่างทั่วบริเวณนั้นผีผู้หญิงก็มาปรากฏเข้ามาเลยปรีเข้ามาหาเสร็จแล้วท่านก็เพ่งจิตใจบอกว่าหยุดเจ้าไม่รู้จักพระสงฆ์ผู้มีทําเลยจริงๆเจ้าจะเอาอะไรเจ้ามาจากไหนวะเจ้าผีร้ายผีก็ตอบว่าใช่แล้วฉันเป็นผีตายทั้งกมลูกตายในท้องเขาเอามาฝังไว้ที่นี่อา้าวเจ้าใช่ไหมที่ทาพระสงฆ์ท่าน ใช่แล้วทำท่านทําไมบาปกรรมรู้ไหมดิฉันชอบพาะรูปนั้นท่านสวยท่านหล่อดีฉันชอบท่านจะเอาพระรูปนั้นมาทําผัวหลวงปูต่ตุ้ยได้ฟังก็พูดว่าโอ้ท่านแหวนนี่มีสเสน่ห์หลายนะผีจะเอามาทําผัวนะเกือบมิล่เจ้ามันเป็นบ้านนะเออพระสงฆ์องค์เจ้าท่านมหาบํเาเพลผวานามหาศีลมหาธรรมเล่าเว้นกิเลสปัญหาจะเอาท่านมาทําผัว เป็นบาปเป็นกรรมนะเวลานี้เจ้าก็เป็นเตรเป็นผีจะให้ตกนรกมากกว่านี้หรือตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าจงอยากทำพระป่าพระทุดงนะเห็นท่านก็อนุโมทนาสงเคราะห์ท่านสี่จะได้ไปเกิดเจ้ารับออกสินเดียวนี้นั่นหลวงปู่ตืท่านให้ผีรับสินเลยสอนสีลห้าให้จนผีตัวนั้นลดละทิฐิลงยอมรับความดีงามแรกๆมันไม่รู้มันบอกว่า เป็นพระเป็นเจ้าหลวงปู่แหวนตอนเป็นพระรุ่นนมท่านผิวขาวงามหลายนะมันจะเอาไปเป็นผัวละสิหลวงปู่ตื้อท่านเล่าว่าเราอยู่ที่สาลาหลังนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนอยู่สอนผีตนนั้นให้รู้จักทําดีบ้างอย่างน้อยก็จะเป็นวิสัยตามทรงเราก็แผ่เมตตาให้ทําบุญให้บ้างจนผีผู้หญิงนี้ค่อยๆสุขสบายขึ้นแล้วหลวงปู่ตื้อ จึงเดินทางมุ่งไปทางจังหวัดเชียงใหม่ไปพบกับหลวงปู่มัน่นพบหลวงปู่แหวนที่วัดเจดีหลวงในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วยติเป็นพระสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธเป็นศิษย์ติดตามหลวงปู่มั่นต่อไปโอขนาดผีหลวงปู่ยังเมตตาถึงเพียงนี้เสียสละเวลาให้ถึงหนึ่งเดือนเต็มๆแล้วลูกศิษย์ที่เป็นคนลากท่านจะมีเมตตาเสียสละให้สักเพียงไรหนอะนี่แหละครูบาอาจารย์ที่แท้จริงสาธุ ขอกรับแทบเท้าหลวงปู่ด้วยเสียงก้าบหลวงปู่บุญเพลกับปะโกได้เล่าถึงคําสอนของหลวงปู่ต่อไปว่าหลวงปู่ตื้ออจรธมมัธรรมท่านสอนอาตมาว่าการเดินผุ้ดองอยู่ป่าพงไทยทําความสงบทางใจทําไปเพื่อความชิ่นถูกเท่านั้นต้องอาศัยอย่างมากเรื่องการภาวนาธรรมนะอีกประการหนึ่งเราดําเนินไปเพื่อสแสวงหาแห่งการสร้างบา ร, รมีไม่ใช่ว่าจะนั่งเฉยๆไม่มีเมตตาปราณี ไม่ทำจิตและกิดอันชอบด้วยธรรมมีเมตตาปรุณาเป็นต้นเหมือนอย่างที่เราได้เล่าให้ฟังนั่นแหละเป็นเรื่องของวิญญาณเป็นเรื่องที่เราเห็นก็ควรช่วยเหลือโปรดสตรัตว์เมื่อเขาเหล่านั้นมาปรากฏวิญญาณเหล่านี้เขามีทุกอย่างมากจึงต้องค่อยๆโปรดค่อยๆสอนมันไปเพื่อให้วิญญาณเหล่านั้นได้เลื่อนพบภูมิของมันบ้างช่วยมันท่านว่าไม่งั้นจะเป็นเปเ ป, ป็นผีอยู่อย่างนั้น ไม่มีที่ชื่นสุดไปผุดไปเกิดไม่ได้บาปบุญคุณโทษก็ไม่รู้นี่การทุดงนะการทุดงไปก็ต้องสอนธรรมะให้ประชาชนขเขารู้บ้างเขาจะได้มีหูตาสว่างดําเนินชีวิตได้ถูกต้องการธํานองครองธรรมนี่เป็นคําสอนของหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโอใครจะเชื่อหรือไม่ต้องพิจารณาเอาเองผีเข้าหลวงปู่แหวนก็เป็นคําบอกเล่าจากหลวงปู่ตื้อแต่เป็นเมื่อครั้งที่ท่านทั้งสอง เริ่มภาวนาแต่การนู้นการต่อมาผีจะกล้าเสียดท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเี๋ย ว, ว่าแต่ผีเลยเสือสังช้างป่าท่านก็ไม่มีความหวั่นไหวแม้ความตายท่านก็ไม่เคยเกรงกลัวด้วยซ้ำไปศิษย์ที่เคยมีโอกาสอยู่ปฏิบัติทาด้วยกับหลวงปู่ตื้ออาจรธรรมโออีกท่านหนึ่งคือหลวงปูรงร่รินทรนทองกิติสัทโธแห่งวัดพุทธิการามอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ท่านได้กรรุนนาถ่ายท่าประสบการณ์ลงในหนังสือทิศิังต่อไปนี้หลวงปู่รินทร์ทองกิติสัทโธวันนั้นเป็นวันโกนหลวงปู่ตื้อท่านกาลังโกงผมอยู่ญาติยมทางเชียงใหม่กลุ่มหนึ่งเข้ามากราบท่านในเวลานั้นพอดีคุณนายท่านหนึ่งดังได้เส้นผมของหลวงปู่จึงบอกกับลูกศิษย์ของหลวงปู่ว่าสู่เจ้าสู่เจ้าช่วยเก็บเศษเ ก, เ ก, เกสา ของหลวงปู่ไว้ให้ด้วยนะหลวงปู่เตื้อท่านได้ยินจึงบอกคุณนายนั้นแต่ว่าอย่าเลยนะคุณนายเดี๋ยวอากมาจะให้อะไรดีๆคุณนายท่านนั้นแสนจะยินดีเมื่อหลวงปู่บอกจะให้อะไรดีๆจึงไม่คิดติดใจที่จะเอาเส้นเกีสาของท่านพอปรองผมเสร็จหลวงปู่ท่านก็เอาน้าราดที่เส้นเกีสาที่โกรแล้วนั้นไหลไปกับน้ำํำจนหมดสิน้นแล้วท่านก็ไปส่งน้ํา เรียบร้อยแล้วจึงออกมาสนทนากับญาติโยมคณะชาวเชียงใหม่ที่สนทนาทํามกันอยู่กับหลวงปู่เวลานั้นก็ใช้เวลานานพอสมควรเมื่อจะถึงเวลากลับคุณนายท่านนั้นจึงได้ทวงถามอะไรดีๆจากหลวงปู่หลงปู่เจ้าค้าในหลวงปู่บอกว่าจะเอาอะไรดีๆให้หลวงปู่ตือท่านก็ยิ้ม น, น้อยๆแล้วท่านก็พูดว่าพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วท่านก็พูดต่อไปว่า พุทโธธรรมโมสังโฆนี่แหละเลิกประเสริฐแล้วถ้าในประเทศไทยทุกรูปจะต้องมีจะต้องถือพุทโธธรรมโอสังโฆถ้าพระรูปใดไม่มีพุทโธธรรมโอสังโฆแล้วรู้ได้เลยว่าพระรูปนั้นเป็นพระตอมขนาดขึ้นวันใหม่ยังต้องว่าพุทธทางสรารนางังคัตถามิ้ธรรมังสรารนางาังคัตถามิสังฆังสรารนางังคัตถามิเลยนี่แหละอะไรดีๆที่หลวงปู่ตื้อท่านมอบให้คุณนายท่านนั้น หลวงปู่ลิ้นทองได้เล่าเรื่องอำนาจพลังจิตของหลวงปู่เต้อาจารธรโมดังนี้กล่าวกันว่าอำนาจพลังจิตของหลวงปู่ตื้นั้นยอดเยี่ยมมากอย่าว่าแต่วัตถุสิ่งของที่ท่านปลุกเสกเลยแม้แต่ที่ที่ท่านปัสสาวะใส่ ย, ยังยินนี่ออกเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเอามาคุยโมกันเล่ น, เ, ลนเคยมีคนเอาปืนไปลองยิงมาแล้วปืนยิงไี่ออกกระสุนไม่ลั่นลูกศิษย์ผู้ที่เอาปืนไปลองยิงนั้น ถึงกับตกใจตะลาดใจรีบรีบกลับมากราบเรียนหลวงปู่แค่สังไม่เป็นศัพท์เป็นภาษาหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ผมเอาปืนไปนยิงหัวต่อทำไมยิงปืนไม่ออกล่ะครับหลวงปู่ตื้อท่านก็สวนกลับมาทันทีว่าก็ไปถามหัวต่อดูสิจะมาถามอาตมาทําไมหลวงปู่ลิ้นทองได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องอํานาจพลังจิตและวาทท้าของหลวงปู่อีกต่อไปว่ามีบางคนคิดพี่เรนเล่นแปลกยิ่งไปกว่านั้นอีก ถึงกับเอาเส้นเกลียของหลวงปู่ตื้อที่กวนทิ้งแล้วเอาไปลองยิงดูปรากฏว่ายิงไม่ออกพอลงมือยิงปืนไม่ลั่นก็รีบมาบอกหลวงปู่ตื้ออีกเช่นกันเพื่อหวังว่าจะให้หลวงปู่ชมที่ตนเองค้นพบความมหัศจรรย์ถือว่าเป็นคุณงามความดีที่เกิดขึ้นกับตัวหลวงปู่หลวงปู่ครับผมลองเอาปืนยิงเส้นเกลาของหลวงปูด่ดูมันยิงไม่ออกนะครับหลวงปู่ตื้อย้อนถามเสียงดังว่าผมของปู่ ไปรักควายพ่อมึงหรือผมของกูไปนอนกับแม่มึงหรือผมของกูเอาไปยิงทำไมทำอย่างนี้แสดงว่าไม่เชื่อกันนะสิแม่หลวงปู่ท่านจะกล่าวด้วยท่าคำดูดันแต่สีหน้าอาการสงบสิงเี่ยมแสดงชัดว่าการดูกของท่านไม่ได้เป็นไปด้วยอารมณ์ปุตุชนแต่เป็นการเตือนสติให้พิจารณาถึงสิ่งที่ไม่ควรเป็นไงล่ะครับคาพูดของท่านตรงดีไหมคาบอกเล่าของหลวงปูล่ลินทองอีกเช่นกัน พวกเครื่องรางของขลังต่างๆนี้หลวงปู่ตื้อท่านไม่ชอบออกมากมาๆอันนี้เป็นปฏิปทาที่โดดเด่นในลูกศิรษะพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตพระตาท่านไม่ชอบติดอยู่กับเรื่องเหล่านี้การที่ท่านยอมให้ทำเหรียญทำพระต่างๆหรือไปร่วมพิธีต่างๆนั้นถือว่าเป็นการอนุโลมทํำด้วยจิตเมตตาให้ใช้เป็นเครื่องระลึกถึงคุณพระัตนะไตรมั่นใจในความดีมีแช่เอาไว้จีรันแั่นแทง หรือเอาไปทํามาค้าขายเพื่อหาเงินกันมีครั้งหนึ่งพวกทหารอากาศเปน็นนัการดงขันแต่ในใจอาจจะนึกประมทท่านอยู่และคงมีเหตุที่ไม่ชอบมาพากลหลายอย่างหลวงปู่ตื้อท่านทุนผ่านลุก ข, ขึ้นไปเดินปสัสวะเส่ตอไม้แล้วกล่าวเชิญท้าทายกรบถามกลุ่มนั้นว่าคนเราถ้ามันจะขังต้องขังกระถางเยี่ยวเอา้ายิงเลยทหารกลุ่มนั้นยิงปืนใส่ตอไม้ กาสุนแม่ลั่นแม้แต่นัดเดียวหลวงปู่ลิ้นทองเล่าเหตุการณ์ดังนี้เส้นทางเชียงใหม่แม่แตงสมัยนั้นยังไม่เจริญเอาอมากๆแต่ก็มีรถโดยสารวิร่งรับผู้คนบนเส้นทางสายนี้แล้วในปีที่หลวงปู่ตื้อกาลังบุกเบิกสรา้างวัดป่าท่านจะต้องเดินทางไปไปมาๆระหว่างอําเภอแม่แตงกับตัวเมืองเชียงใหม่เพื่อทําธุระในการก่อสร้างจึงจำเป็นต้องขึ้นรถโดยสารหรือรถประจําทางอยู่ บ, บ่อยๆ พวกรถโดยสารจะชินตากับหลวงตาผ้าป่าแก่ๆกับสิทธาขาวเผาผู้เท่าที่กวนหัวนุ่งขาวห่มขาวสัพไผ ย, ย่ามเดินตามต้อยๆพวกรถโดยสารคงรำคาญและมันใช่หลวงตาผ้าป่ารูปนั้นเพราะว่าพอขึ้นไปนั่งบนรถปุ๊บผ้าหลวงตาก็เ อ, อขาขท้าขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเบาปับ๊บแล้วก็นั่งหลับตาปีหลับเฉยโดยไม่สนใจใครช่างหน่าเบื่อนายและน่ารำคาญจริง ผู้โดยสารคนอื่นๆนั่งห้อยขาเบาเดียวนั่งได้สามสี่คนแต่หลวงตาแก่รูปนั้นนั่งเอเซอยู่คนเดียวเด็กหนุ่มกระเป๋ารถจึงพูดขึ้นขอร้องแบบไม่ห้อยพอใจพ่อหลวงตูเจ้าตื่นตื่นเอาตี่ลงจากเบาเน่ลงบบอได้หลวงปูต่ตอบทง้งที่ยังหลับตายอยู่กระเป๋ารถเริ่มจะโมโหเลือกขึ้นหน้าขณะนั้นรถกาลังเวนรับผู้โดยสารตามายทาง กระเป๋หนุมกล่าวสมบทเสียงดังมันเป็นออย่างฮื้อจึงเอาตีลงบ่อได้พร้อมกันนั้นก็เอามือกระแทกขาของหลวงปู่ลงจากบ่อทันใดนั้นเสียงดังคึกคืดคืดคึกเครื่องยนต์ดับสนิทรถโดยสารหยุดคึดอย่างฉับพลันผู้โดยสารทั้งคันหัวคามำไปตามๆกันหลวงปู่พูดขึ้นหลวงตาบอกแล้วลงบ่อได้ลงบ่อได้ไดคนขับพยายามติดเครื่องอยู่หลายครั้งแต่เครื่องยนต์ก็ยังไม่ติด ผู้โดยสารก็ส่งใจไปลุ้นแต่เครื่องก็ไม่สิดสักทีลุงปู่พูดขึ้นว่าผู้ใดเอาจีนกุลงมาเอาตีนขึ้นเนิ่ก็เป่ารถจำเป็นต้องทําด้วยความจำยอมจากนั้นเครื่องเดินก็ติดรถโดยสารก็วิ่งสะดวกจนถึงตัวเมืองเชีงยงใหม่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าผู้โดยสารหลายคนจากการเล่าขานปาต่อปากนับจากนั้นมาหลวงตาผ้ า, าตาแก่ๆอยู่ในอาเภอแม่แตงก็ดังระเบิด รถโดยสารทุกคันไม่เก็บเงนหลวงปู่และก็ต่างอยากให้หลวงปู่นั่งรถของตนแม้นั่งคนเดียวทั้งคันก็ยินดีเรื่องนี้ได้รับการถ่ายทอดจากหลวงปู่ลิ้นทองอีกเช่นกันเมื่อหลวงปู่ตื้ออจารัโมเข้ามาในตัวเมืองเชียงใหม่ท่านจะพักที่วัดเจดีหลวงและบรรดานลูกศิษย์ลูกหาก็จะพากไปทําบุญฟังธรรมและกราบพระรัตท่านอย่างเนืองแน่นในช่วงเช้าตู่ของทุกวันหลวงปู่จะออกบินทบบาทเป็นกิจวัตร และจะมีลูกศิษย์ลูกหามารอใส่บาทท่านตั้งแต่ประตูวัดเป็นแถวยาเวเหยียดไปตามถนนและทุกเช้าเช่นกันบรรดาสารถีในเมืองเชียงใหม่ก็จะพากันสูงรถเดินตามหลวงปู่เป็นพรวนตอนขากลับจากบินธบาต่างก็มารุมมาตื้ออยู่แย่งหลวงปู่ตื้อนีมนให้ท่านมานั่งรถสามล้อของตนเพื่อความโชคดีมีชัยก็ว่ากันไปอย่างนั้นตอนแรกๆก็มีสารถีขับสามล้อคนอีสานไม่กี่คน มานิมนต์ให้ท่านขึ้นนั่งท่านก็เมตตาสลองศรัทธาให้ทุกคันลงคันนี้ขึ้นคันนั้นแบ่งเฉลี่ยคันลนิดคละนอยโดยได้ทั่วถึงกรรมนับวันสามล้อมีมากขึ้นเพิ่มจํานวนเป็นร้อยร้อยคันทุกๆเช้าดังนั้นหลวงปู่ตอนบินพบาทสุดแถวแล้วเดินกลับวัดจึงมีเหตุการณ์จราจรวุ่นวายต่างออยื้อแยงนิมนต์หลวงปู่ให้ขึ้นไปนั่งบนรถของตนบรรดาสารถีต่างล้อมหน้าล้อมหลังท่าน ดูมารุมมาตุ้มไปหมดเสียงนิมนต์ดังเชี่ยงแท้หลวงปู่ขึ้นรถผมหลวงตาขึ้นรถผมคนนั้นก็หลวงปู่คนนี้ก็หลวงปู่คนนนท์ก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ดูสับสนวุ่นวายกระทั่งเกินที่หลวงปู่จะรับฉลองศรัทธาได้ไหวปัญหาจึงเกิดขึ้นเช้าวันหนึ่งเป็นเช้าที่หลวงปู่แก้ปัญหาในขั้นแตกหักไม่มีใครคาดคิดในเรื่องนั้นก็หลวงปู่เดินกลับวัดสามล้อเป็นร้อยก็มามารุมมาตุ้ม หลวงปู่เช่นเคยคันนี้ก็หลวงปู่คันนั้นก็หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่ว่าคาถาคําเดียวขึ้นบ่อได้ขึ้นบ่อได้ขึ้นบ่อไ ด, ได้ไปตลอดทางหลวงปู่เดินไปเรื่อยจนจะถึงประตูวัดแล้วสร้างความผิดหวังให้บรรดาสามล้อเป็นอย่างมากทันใด น, นั้นมีสามล้อหนุ่มคนหนึ่งแกของบ้าบินพอสมควรตัดสินใจจู่โจมตัดสินใจอุ้มหลวงปู่ขึ้นไปนั่งสามล้อของเขาทันที ทันเมื่อเล่าหลวงปู่แต่บอาเท่านั้นคนทุกคนเสียงดังตกใจโป้งๆๆสามครั้งติดกันเสียงดังสนั่นเช้นยางระเบิดทั้งสามเส้นทุกคนที่อยู่ณที่นั่นตาตะล่นตาค้างไปตามๆกันการรักษาศีลสิกขาของพระเถระไม่มีการยกเว้นโดยเด็ดขาดในวงสนทนาของบรรดาผู้ศรัทธาในสายพระป่าหลวงปู่มั่นภูริทัตโตถ้าหยิบยกเรื่องของหลวงปู่ตื้ออจรัตธรรธมโอ ม, มาสนทนาคราวใดก็ตาม จะต้องได้รับรสชาติในวงสนทนาเป็นอย่างดีรวมทั้งได้หากกจัจตึงทีเดียวปฏิปทาหลวงปู่ตื้อมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท่านซึ่งไม่เหมือนจากครูบาอาจารย์องค์ใดๆเลยเรื่องการสั่งสอนศิษ ท, ทุกกิเลสตรงงนี้หลวงปู่ท่านขนัดเป็นพิเศษเรื่องการรักษาความสะอาดของวัดศาลากุฏิที่พักอาศายัยหลวงปู่ตื้อท่านเข้มงวดมากเป็นกิจวัตรของพระนในสายของวัดตา ที่ถือปฏิบัติสือต่อกันมาเป็นอย่างดีเรื่องการรักษาศีลรักษาวินยัยของพระเนนหลวงปู่ก็เขินงวดชนิดที่ไม่ย่นหย่อนเลยหลวงปู่ท่านได้ถามพระเนในวัตถุกรูปว่าศีลทั้ง227ข้อนั้นมีข้อใดเมื่อพากันปฏิบัติแล้วให้ถึงกับใจขาดตายบ้างมีไหมพระเนนต้องกล้าเปลี่ยนไปว่าไม่มีครับหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นต้องพึงระมัดระวัง เด่๋ล่วงในสิ่งนั้นไม่ยกเว้นแม้แต่สิ่งข้อเล็กๆ น, น้อยหลวงปู่ตื้ท่านอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ของท่านว่าสิ่งเล็กๆ น, น้อยนั่นแหละสําคัญยิ่งกว่าสิ่งใหญ่ๆการเริ่มต้นในสรรพสิ่งทั้งปวงเริ่มแต่เล็กๆมาก่อนทั้งนั้นแม้ป็นจุดรอยรั่วเล็กๆให้น้ําหยดจากหลังคาถ้าไม่รีบแก้ไขในที่สุดก็เป็นรูขนาดใหญ่ได้อันนี้ใส่มนุษย์จะเริ่มประพฤิชั่วขั้งแรกโดยการขมวนสตางค์แม่ แค่เสด็จเดียวก่อนต่อไปก็ขโมยวัวขโมยควายโฉกชิงวิ่งราวสุดท้ายก็เข้าไปอยู่ในคุกเพราะเป็นโจรป้นเสียสิกขาของบรรดาพระเนรหลวงปู่ท่านตะโกนขันแม้ข้อเล็กๆน้อยๆก็ไม่เว้นเพราะเป็นอาบัติซึ่งมักจะถูกมองท่ามไปพระเนรบางรูปคิดว่าไม่สําคัญหลวงปู่ท่านเตือบเทียบว่าให้พิจารณาเวลาเศษผงเข้าตานั้นมีขุนเล็กๆเท่านั้น ข้อหินเท่ากับปั้นนั้นไม่เคยไปดูข้าตาเลยหลวงปู่ท่านถามพระเนรว่าเวลาสะดุดต่อไม้เคยเดินไปสะดุดต่อขนาดสีห้าคนอกไหมเห็นมิจะต่อขนาดเล็กเท่าหนูก้อยพระเนรเดินสะดุดจนเป็นแผลอาบเลือดอันภิกษุทั้งหลายล่วงในสีเล็กน้อยก็เหมือนกับการขโมยเงินสลึงเดียวนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแน่นอนที่สุดในเมื่ออาบัตตาจิตตีอย่างกล้ล่วงเกินได้แล้วในข้อสังขารที่เศษ ก็ย่อมเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วนับภาษาอะไรกับผีในข้อประราชิกหลวงปู่เตื้ออาจารธรรมโอกลัขันเรื่องผีสองรยิเจ็ดข้อของพระภิกษุเดีย๋ยวได้มองข้ามไปว่าผีทั้งสองยบเจข้อนั้นในโลกนี้จะไม่มีผู้ใดประพฤติตามได้ผู้ที่กล่าวเช่นนั้นคือผู้ที่มีจิตไม่เอื้อเสือต่อธรรมที่นายเป็นการตีความเข้าข้ามตัวเองที่ตกอยู่ภายใต้จิตายต่ำที่ครอบงำไว้จึงตีความเอาว่า ไม่มีพิสูรูปใดจะทำตามพุทธบัญญัตินั้นได้เห็นไปว่าการปฏิบัติตามสิ่งสองยีสิบเ็ดข้อนั้นตึงเกินไปถึงกับสมณะบางรูปบางสำนักสอนกันว่าสินทั้งหมดรักษาไว้แต่ปราชทกสีข้อก็พอโถหน้าสงสารก็เลยไม่ต้องเป็นพระกันเลยหลวงปู่ย่าว่าการเป็นพระไม่เรียนในสินข้อใดข้อหนึ่งแม้แต่มูสาวาตถ้ามุสาวาตนี้ ยังเป็นศีลของคาเรหัดด้วยเป็นแค่เบญจศีลที่ทําให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ถือเพียงแค่ศีลห้าข้อของคาเรหัดเท่านั้นก็ยังมีได้จะเป็นผิดศีลของสามเณรมีได้เสียแล้วถ้าพิสูุกล่าวมุสาวาตโกหกต่อแหลแค่เป็นมนุษย์สมบูรณ์ยังเป็นมีได้ภาษาอะไรจะเป็นพระหลวงปู่สอนว่าที่ให้พากันปฏิบัติตามพุทธบัญญัตินี้หาได้เป็นเรื่องเเขง เริ่มตื่นที่ตรงไหนเพรเพียงแค่งดเว้นในสิ่งที่พระบรมศา ส, สดาทรงห้ามไว้และประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์สอนเท่านั้นท่านในในวัดถุกรูปจะอยู่ในสายตาของหลวงปู่ตื้อตลอดเวลาถ้าประพฤติปฏิบัติไม่สมควรสอนไม่ได้ท่านจะบอกไม่พึงปรารถนาให้พิจารณาตัวเองไปเสียให้ผลวัดตัวอย่างท่านในที่หัวดีเตือนแล้วเตือนอีกก็เช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งแอบเขียนจดหมาย ติดต่อกับคาระวะอย่างดึกดื่นไม่เอาเวลานั้นมาภาวนาปรากฏว่าเสียงไม้ฟาดเข้าข้างกุฏิหลวงปู่ตวาดเสียงเขียวไล่ภิกษุนั้นด้วยเสียงอันดังว่าไปไปซะไปอยากไปนอนกอดขี้ก็ไปเดี๋ยวว่าแต่ลูกศิษย์เลยที่หลวงปู่ตื้อท่านเตือนเมื่อเวลาหลงผิดหรือประพฤติไม่เหมาะสมกับความเป็นพระแม้แต่พระผู้ใหญ่หรือสาธรรมิของท่านหลวงปู่ก็ไม่เว้น ท่านจะบอกจะเตือนตรงๆและบางทีก็รังแรงด้วยมีตัวอย่างตอนหนึง่งในประวัติของหลวงปู่บุญทันที่ตะปัญโญแห่งวัดป่าประดูอำเภอรกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเป็นลูกศิษย์รุ่นใหญ่ในสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่บุญทันท่านเล่าว่าในระหว่างที่ท่านเร่งความเพียรทําให้ท่านหลงสําคัญตนว่าท่านสําเร็จหมดจากกิเลสแล้วจึงได้ออกติดตามหลวงปู่มั่น เพื่อจะแจ้งความในใจให้กับพระอาจารย์ได้รับรู้หลวงปู่บุญทันติดตามหลวงปู่มั่นไปจนพบที่เชียงใหม่เข้าไปในมาตรการพระอาจารย์แล้วกลาวเปียนอย่างส่ตัวว่าสำขวัญว่ากระผมเดินทางมาทางอากาศหลวงปู่ตื้ออยู่ในที่นั้นด้วยก็ออกไปยืนเหนียดหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าทําท่ารอดูหลวงปู่บุญทันแล้วพูดเตือนท่านด้วยเสียงดังว่าโน่นพระอรหันต์ผี่บ้าพระอรหันต์โลกี พระอาหารหันต์เวียนตายเวียนเกิดมาแล้วโน่นหออมาแล้วเรื่องนี้หลายคนบอกว่าศาสใจบางคนก็ว่าแรงไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดอโศอการามจังหวัดสมุทรปราการหลวงปู่ื้ออาจารธรรมโมได้รับนิมนต์ขึ้นเทศในการจัดอบรมกรรมฐานแก่พระระญาตโยมมีผู้สนใจไค่ธรรมมาเข้าร่วมฟังธรรมอย่างเนืองแน่นในวันนั้นหลวงปู่ท่านแสดงธรรมได้อย่างจับใจได้อัธรต ในเบื้องตน้นท่ามกลางและปริโยสารอะไรเป็นธรรมเป็นวินยัยเป็นตัวทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ตลอดจนวิธีดับทุกข์อะไรที่ควรมั่นอะไรที่ควรปรงควรปล่อยวางไม่ควรยึดมั่นว่าเป็นตัวกูของกูว่ากันว่าหลวงปู่ตื้อได้แสดงธรรมให้สาธุชนที่อยู่ในขณะนั้นลองตามแล้วเห็นได้จริงเทาเหมือนไหยสิ่งที่คว่ำ เหมือนจุดประทีปคมไปในที่มืดเสมือนชี้ทางให้กับผู้ที่หลงทางอุบาสิกาที่ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่เต้ในเวลานั้นแล้วต่างรู้สึกปิติอิ่มเอิบในบุญรู้สึกปลดปรงเบากายเบาใจต่างก็รู้สึกว่าภายในจิตได้ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วพอหลวงปู่เทศจบท่านว่าเอวังก็มีด้วยประกาศฉนันี้แล้วแยดโยมก็สาธุ เสียงดังสนั่นหน้าอนุโมทนายิ่งสุดจะเก็บความปิติไว้ได้มีอุบาสิกาท่านหนึ่งแหย่ผู้คนเข้ามาข้างหน้าสุดใกล้กับหลวงปู่ที่สุดแล้วรายงานผลว่าหลวงปู่เจ้าค่ะดิฉันได้ฟังเทศหลวงปู่แล้วรู้สึกเบากายเบาใจดิฉันปล่อยวางได้หมดเลยเจ้าค่ะหลวงปู่กล่าวด้วยเมตตาอนุโมทนาด้วยคุณโยมที่ได้ดวงตาเห็นธรรมจริงๆนะข้าหลวงปู่เดี๋ยวนี้ ดิฉันไม่ยืดมั่นถือมั่นต่อไปอีกแล้วปล่อยวางได้หมดแล้วเจ้าค่ะและหลวงปู่ก็พูดว่าอีต่อแหลไม่มีใครคาดว่าหลวงปู่จะอนุโมทนาด้วยการหักมุมเค่นั้นไว้ตายแล้วทำไมหลวงปู่จึงมาด่าอีิชั้งแล้วเรียกผลนผันลูกหนีด้วยความโกรอย่างเป็นฟืนเป็นไฟบงง่งบอกลักษณะของคนปล่อยวางได้อย่างประจักษ์ชัดหลวงปู่ได้แต่หัวเราะฮือๆในลำคอขณะเดียวกันบนสาราการปา ร, รีย น, นก็เงียบกลิบ ตามด้ยเสียงคุปซิดและบางส่วนก็หัวร้อนาใจอ๋อคนปวางมีลักษณะอย่างนี้นี่เองหนอเรื่องที่หลวงปูต่ตื้ออาจารธรรมโมพูดประกอบในเวลานั้นหรือบางครั้งในการแสดงพระธรรมเทศนาท่านมักยกเรื่องความดีของสุนัขซึ่งท่านเรียกว่ามงคนหมาบางคนอาจเข้าใจว่าเป็นเรื่องชวนขำแต่ว่านำไปพิจารณาแล้วจะเห็นว่าหลวงปู่ได้พิจารณาเกี่ยวกับสั ซึ่งเป็นสายของสัตว์โลกมีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันหมดการนำมาเปรียบเทียบกับชีวิตของคนก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องเสียหายลุงปู่บอกว่าบางครั้งสัตว์ยังดีกว่าคนบางคนเลยสัตว์ทุกจางทัวกมันมีดีประจำตัวของมันตามภูมิของมันการพิจารณาชีวิตของสัตว์อันเป็นเครือของวัตถของสารเหมือนกันนี้เป็นการหาอุปมาเครื่องเปรียบเทียบ่างนั้นเวลามีโลกธรครอบงำ เราก็สามารถพิจารณาเหตุผลมายับยั้งชั่งใจได้ถ้าใครเขาด่าเปีเยกเปยว่าเราเป็นหมาก็ไม่น่าจะไปโกรธเพราะหมาก็มีความดีหลายอย่างหลวงปู่ตื้อท่านบอกว่าลองพิจารณาดูให้ดีจะเห็นว่าหมาก็มีมงคลคือความดีประจำตัวอย่างน้อยยี่สิบประการคือหนึ่งหมาวิ่งได้เร็วคนวิ่งตามไม่ทันสองหมาเดินกลางคืนได้ไม่ต้องจุดไฟ สหม้าเข้าป่าหนาไม่ปักตีนสี่ม้ามีจมูกเป็นทิศท์ห้าม้ากินอาหารไม่เลือกหกเวลามันเยี่ยมันยกขาว่ายทรณีเจ็ดก่อนนอนม้าเดินเวียนสามรอบปดเวลาสืบพันธุ์มาไม่รู้จักอายเก้ามารู้จักเจ้าของดีสิบถ้ามีแขกแปลกหน้ามาม้ามันเหา่าสิบเอ็ หมาออกลูกไม่ต้องหนีแม่หมอสิบสองหมากินอาหารก้างไม่ติดคอสิบสามหมาไม่เคยห่มผ้าสิบสี่เวลานอนหมาไม่เคยนุนหมอนสิบห้าหมาไม่ต้องปูที่นอนสิบหกหมากินข้าวแล้วไม่ต้องกินน้ำสิบเจ็ดหมาไม่ต้องคิดบุญคิดบาปสิบแปดหมานอนตาดน็ได้ถึงสามชั่วโมงสิบเก้าไม่ถือฤ ด, ดูกาลไม่มีการสืบพันธุ์ ยี่สิบหมาตกน้ำไม่ตายว่ายน้ำได้เร็วกว่าคนหลวงปู่ท่านบอกว่าคนเราหากไม่มีดีก็สู้สัตรูไม่ได้ก็จะถูกตาหน้าว่าเป็นคนประพฤติถอยหลังไม่สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์หมาบางตัวที่เขาเลี้ยงไว้มียอถึงนายพันเอกมีเงินเดือนหลายพันบาทใครจะว่าหมาไม่ดีก็ไม่ได้ลูกสาวคุณนายเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหมดเงินเป็นแสนเวลาโตขึ้นมา ทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจต้องลำบากเบือดร้อนในละคุณก็มีเรื่องเช่นนี้ไม่มีในหมาหลวงปูลล่ยกมองคนหมาขึ้นมาแสดงเพื่อให้เราเป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าคนเราถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เพราะมีการกินการนอนการสืบพันธุ์เหมือนกันก็เท่านั้น